ไตตืต้นถุงตัวอกรงน้นวงันเชียวันกว่าเขาผ้าเฟนหลกขผ้าเฟนเนี่ยย่าพู้ืนเชี่ยวเกี่ว่าโรอกขาผ้าเฟนเหมือนกันโอ้แต่ข้าเกี่ยวกัไตหลอกเปนผ้าเฟนน้องมันเชียวบอกว่าน้าผู้อื่นว่าโรกผ้าเ็นกินกินแต่สีอกหลอกใหม่เปล่าน้องอันเชียวันกว่ากินหมดผูแต่ว่าโรกผ้าเ็น ข้ามันางคนสั่นบางวันเียวขาสั่นแม่ครูเปิดบม้วนขาวประเทศยังสั่นม้เเอขาพาลูกพา้านเรนบ้าเร็นบื่อเรียนโด่เรียนเรกหวตายนี่ก็ไม่แเขาเจเอาไปกินมาท่านเพราว่าเอาไปเป็นเด็กก็ก็น้อยถ้าค่าแสีไหนนั่เตรีมกันมากถ้าบุญหายอยเม่ข้าะถ้ามาศาตร์ยังว่าเนีเผาติ่งหินอยู่มีพอดีอยู่ที่อยู่นอกว่าเผาเป็นมีสะพดะพืดยาที่สุดอประเท เจ้ให้เจ้าให้เดยวหนาเจ้าน้าเ้อันนี้มันใในนั่งอะไรยานเนี่ผ้าเลีย้าผ้าพ้ามัดพ้าเบอร์พ้าเรียกผ้าผ้าผ้มัดผ้าเบอร์ชูเขารักษาสิ้นหายยูบบ้านบะไรแม่นบ่แม่นบ่ดูเขารักษาสิ้นหายยู่บ้านวะไรได้ท่านทาท่านทาเป็นผู้ประเสริฐร่ำท่านจะแชกง้หัวพระเจ้าผ่า โตกล้ามันก็เอาพาพระพุทธเจ้ามามาหนุงเอาเมฆโกนพระพุทธเจ้ามาโกนหัว ม, มันมันว่าเป็นขบัพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะประหารนะ่ันไม่กรบาดตายส่ยมคมว่าต ง, งเสริมกันยกกับบาปเืออโลกบอล้องกันทวนเทียนทนเตียน น, ย น, น, ย น, น่แหละกรจบ่เพได้เลี้ยง่ไปใส่บาตรกินเอาสันผ่าไป ใ, นในส่ยม่ได้สันผ่าเาว่าเสนอ แล้เลือกได้เพาเลือกได้ก็ดีงั้เป็นคาเป็นธาตพระพุทธระธมระสงค์อยู่ตกมือแล้วเลือกได้เพราเลือกได้ก็ดีชีเค็ี้หลัชีว่าเป็นเลกเป็นผ้าจักรืถระีว่าเอาอันอื่นมาเป็นชนะนัติเมชนะนางอัญญ์านะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรมพระสงค์เท่านั้นเป็นชนะของเราห้องขวานี่ไปจั๋วเพื่ให้ยังเสร็เอาอันอื่นมาเป็นชนะอยู่เดาเลยเขาเป็นานะอยู่ยจะไปเ็ด มัน่านท่างเจริญท่างเจริญกับว่าหงจักท่างชิบหายกับว่าหงจักเหตุการไหนมันจังสี่เจริญในสัมาสางกัาเทอขถ้า่มันชิหาเท่าไหร่บยัติรัเจริญเห็นหงจักว่าแม่นอกบัวเอามือไปเด้ไปใท้มือขาดเห็นจมูกมันไปถูกเอาเล็มันก็เือกนะิดหนูหอพระปายังเมาบินข่าตะเกียง บางยนกินอย่างนี้อย่างนี้ว่าสี่ได้ควบจุกไม่ตายกองชั่งเพื่อนก็ยักเข้าไปอันนู้เหากันเดียวกันอันนูเห้าเอื่อยๆเรื่อยฟ้ามรื่อเรื่อยพระอกันพระเป็นนาที่บอกญาติบอง้มเนี่ยจงเป็นอนุสรณ์ุมนักเกตต่างโลกัสสาสิเป็นหน้าบุญของโลกแล้วก็เป็นหน้าบาปของโลกพระพระเนียพระอมเรื่ลยเรื่อยกวาระหกของโลกยุตไตมันแล้วมอมยิ่เทียบพระอยู่เมื่อเมฮนี่ยพ่อนเอาว่า เอาอะไรอกับเพาะนไปลงอภสรัสสมอพแห้งนะรวาิวาพราปริปรนิาขณีวนวูรนั่งจสนงุสกปฏิปิจิสังติสังุมาสมรชนสสุาีเรนตังปาันโทปนันาม่ชทาพีสียนวัชณะสสุขุโโยวินัสุมารเตควัตวันตาโยสิสีติโค โลอภิวาทนาสีฤาษี unfor, laughter, Brooks, uhh. ical, สันสังโมทาประปายโนงสัจการุทธามาวัันติอายุวันโมสุขังพลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันต้องพระคุณคาพรมีพระมาาและก็ต้องมียุคการด้วยว่าขึ้นยุคกับปุโรละปรูรหะขึ้นยุคกับผู้เชียร์ปุเชีอและก็เหนือโลกยุทุกยุคทุกสมัยอีกด้วยเมื่อเป็นทั้งเสือเพราเข้าทั้งหลายที่ว่าในที่นี้พอดีที่ว่ได้ม่าในที่นี้พอดี เัวท <führ> ้งตัวกระางจะผสมจควุกคะเลินิ่งไปจนถึงที่ซุกซุเลยความวิชุเงามีม่นควาเชื่อเน็ดเครื่องจีในกเรื่งตาเน็ดเครื่องตายชุเรองฝ่าเ็ดเครื่องฝ่ายเขาโซ่ภาในฝ่ายฝ่ายนี่นี่กูเรียนชิ้ายแห้งเลยถือจะเมอว่าสนาทำห้มันได้กูเป็นเรษฐีควาสูวันวาสนาเยนที่หลังกูดอกวาสนเหียงฮะโอ้ย มั่งับมั่สีบ่าเนี่ยมันแหง้งแดงแห้งแหงแหง้แห ง, ววแหงว่าด้เกลียวเขาไปแห้งมาเด็ดเละก็ตายแล้วนนท่นี่ไอ้โจ๊กนั่นวะท่นสื้อยู่อเสื้อกินให้ลูคานหนึ่นนงย่งสิดี๋ยว่ากับมันสินเดี๋ยวว่าเอาไมาไหนเขาค่อยค่อยจะมีเจ้าจำฟางต า, ากลอ น, นมันค่อจะม่ใส่ดีวะท่นเราไปเขาหลดมันสิน่ดีวะสุกขานวันเสียงเงพบาทเเด่นเ่น เสียเงินพ่สองบาทเสียเงินแค่หลวนนี้บาทนึงเท่นันมากเลย่ื่อรับางรัฐการที่เก็บเนรัฐารที่เกืเลยถืเลยรัฐบาลพรว่าถือแคโตอีกไงคู่ถ้าเรียกูี้เไปเสียเงนเลยนะครับเสียแค่เพื่านันมากนันก็มาฝันหามไม่ค่อยเห็นแนวพูกข้าก็ไม่ค่อยเห็นเลย เียอพอบุคชั Belle. นหลานเรียญสูงเลยน่มจักเหลี่ยบันทึกโกที่เกยสหลานเหรียญสูงเลยจักแล้วทุก่อกานนบ้าเหล่ยบุญเดาขนาดไหนพระท่านพ่อมาเอาพรพุทธธรรมาส่งเป็นที่เพอ่ไปกินนอนนะมีคนชุบคเจริญทุกศานพอดีแม่ด en. right. ีมิดดีสหายดีตอนนี้ทําดีส่งเสริมตอนใี้ท่างโชกิจกรรมกันก็ผูบาอาจารย์ เฮยไม่ไปแล้วคุก็มว่าไปแล้วแต่ไปคีบหายคุณจะไปไปคีบหายคูกว่าไปแต่ว่าเถียงมันก ained, โนโ mm. pies, mm. e ับันเชียวต้อหั่นฟันอะไรต้องฟูไปหามาะไรหน่อยยัดจะบไปเห็บไปหามว่ะยัดเห็บจะเห็บลูกหลานันนั่นเอมยันกะบันดีต้อหั่น มึงจะมึงจะไปแล้วปลูกกีเซนงหรือเ่าโอ้โตกีเซกัวโตกีเซนแง่ท่านคิดผายไงโตไปข้นบุญแล้วไปน้ำเข่าคิดผายตัวไม่คิดหายตัวหลุดหลงคิดหายตัวนักพุทธเจ้าบอกว่านี่ใช้เกีรงนักพุทธเจ้างั้นหรอเรมนเอ๋กพุทธเจ้า โม่เห่ามุนรักสี่ยอดจากเหาพระพุทธเจ้าเปิดวนเอกว่าชี้ภายชายมุมศาลอุซ่นพระพุทธเจ้าใครสี่านเหาเลดีใครสีอยากหายเห่าเลดีเท่ากพระพุทธเจ้าที่นหอเซือได้ากี่ล้านเราทำสองซองลงหัวใจแวทอบายยมุกทุกประเภทอบายยมุกเป็นมนุษย์ วิบัตครับาาถามเว่นท้าเว่นก็เป็นมนุษย์สมบัติและพัทนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรอมสมบัติเนปานสมบัติตันี้ตัวคำว่าเว่นกับมนุษย์ไม่บัติสวรรค์ไบัติพรหมไม่บัติเนปานไม่บัติตัวนในตัวข้าสอนในพุทธศาสนาว่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรอมสมบัติเนปานสมบัติอย่างแบบวุดเลยไม่มีรับใช้ไรสัตว์ฉะนั้ไรสัม่มาสอนให้ยิงไปคนนี้ ข้าพสรในไร้เใจโลกระถาเป็นเมือขืน้รนพุทธศาสนาหมดเพื่อเข้มทิเป็นเมื่อขืนเขาทิพย์เหนือเพื่นำเอานาเข้ามึงบางเป็นเมื่อขืนมหาทะเลไร้กอทนมหาทะเลโดยกรหถั่วเข้มทิตกับทิพไป็นเทื่เขืนคอบโกุถั่วมีมนุษสมัครสวรรค์สมัค่มสมัครยิ่พนสมัคเต็มพู่มหมดคําสาในพุทธศาสนา เป็นพระบอกอันเดียวกันไม่ได้รบเร้าพระละบอกกันพระพุทธเจ้าเข็ยนว่ากีว่าอะไรโกรธก็สร้างย้อนไปแล้วที่มาเอกทางนามมากกี้ว่าอะไโกรธก็คือตัรมแลมาสอนอันเดียวกันไ่ได้รบเร้าพระละบอกกันวันชาวโลกชาวโลกต้องตั้งคืนรบออกตั้งคืนรบออกเพราะเสียงก็เปียนนะครับพเพราะมันโมเป็นธรรมมันโมเป็นชุกนี่พระพุทธศาสนาสอนขี้ว่าแล้วเป็นทนเอกพระพุทธศาสนาชาตาเทีมมนุษย์สร้างเป็นผู้สอนของเทวดาในเมืองไทย เต็มภูมิแล้วมันไม่มีข้อประกอบบ่ไม่ขอตเตรียมแต่งไปอีกเลยอา บ, บายยาหมกทุกประเภทนีเป็นไฟไหม้โรคหมกขามกขาแปลว่าชิ้หายอยู่ถึงหน้าถึงปากหรือเป็นปากเป็นท่างแห้คขอ้อผิดผายกับแม่ทะเนลนับเป็นข้อเจริญทุกยกทุ ก, ท ก, ทกสมัยเลยคําสอนของพุทธศาสตร์แล้วเนี่ยซ้อนขาดตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนอันเดียวกันบัด เมา่อมาแจงกฎหมายใหม่เมื่อได้มาแจงพ่อเราบอกใหม่สอนโลกกบยืนยันว่าทำเป็นโรกบาดคุ้มครองโลกสองอย่างคนละอาตสำบาปความกวนต่บาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าโลกมันมียาไอยตบาบไม่มีความกวนตบาบแล้วกฎหมายก้อหมูก็ทักก้พวกอะไรอก็มาก็อตั้งมาอยู่ปู่ของทาไม่นำทำเงินก็มาที่เพื่อนืนเวลาสายทำวามช่วยในที่แยมาได้โครงกริที่รับนะมันเสมอเนี้ยมันทำในที่แย่อีกเท่วไรอ๋อคำว่าอยากไอ้ต่บาปพ่กกวต่ำบาปเรก็ไปวงระเิดเส้นหา มันร้แล้วเมือ่อเสีนหาแล้วกฎหมายก็ตัง้งมุลูกนหมายไม่ต้องต่างออกจากเสียนหาด้วยกฎหมายเกี้ยวก็ป่งชีวิ ต, เ, ตเอาออกจากอำนาธจบาทเก้ยวกาลักของอออกจากอธินาธาเกียวก็ร้องเปานี่ห้องกัรจะออกเอาออกจากขาไ ม, ม่ได้คไม่ทาบจ่าเกียวก็พูดปดก็ อ, ออกจากมุสาวาเกี่ยวกบทําหายมืนเมาก็ออกจากซึ่งเป็นยาเสพติด ก็ออกจากโัว่าข้าราชกาโลกมีสิ้นหาบริบูรณ์แล้วกฎหมายก็ไม่ได้ต่างมาคดีดําคดีแดงไม่ลงนัดาลกับพวกนี้โซ่ตรวนกับพวกนีโซ่ตรวนก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องคว้าเรลือนจำก็ไม่ต้องมีปุ่นแกก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องคว้าก็ไม่มีเสียงบริบูรณ์ เบนไทยก็ไม่มีนอนก็สลับดีไม่สะดุ้งประวาตพระไม่มีเลยอยู่รอบข้างก้นไม้ก็จะตั้งก้นไม้ก็ประมาณกับก้อนไม้ฟาสีอากรก็พอแล้วก้นไม้อาจีพนไม้แผ่นไ ม, ม้สังก็ไม่สามสารดีตาดีเก๋ไครับสารดุสิตธรรมนี่สารดุสิธรรมนี่แหลในการก่อสรดางนะคือกำเริ่มผลของกำในสารดุสิธรรมนี่การตั้งก้อนไม้กนหมู่เขักก้พวก ข, ของชาวโลก ไม่มองดูความสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่อรอนการค้าขายวัคคติศาสตร์ชนาประสอนค้าขายชค่องอาหาค้าขายมันมิค้าขายจบจนเลยเนี่ยสัตว์ท่ตัวค้าเปลี่นอาหารค้าขายนมว่าค้าขายยาพิษเดี๋ยวเทียกว่ามิดแฉาวณิชชาคือการค้าขายไม่ชื่อตามห้าอย่างการค้าขายห้าอย่างนี้ชาวโลกไม่ควรประกอบเนี่พุทธเจ้าสมบัติของชาวโลกเค้ามีอยู่ห้าประการประกอบโดยสักกาเชื่อในพุทธศาสนาผสมเชื่อว่ามีบาศมีบุญ มีเส้นบริสุทคือเส้นห้าไม่เชื่อถือมงคลสิ่งข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่มอมังกรไมนแสวงหาเสษบุญต่อพุทธศาสน า, าบำเพ็ญบุญแต่ในาพาระพุทธศาสน า, าชาวโลกต้องสร้างอยู่ในสมาธิประการซึ่งตรงกันข้ามของพระเจ้าพระเจ้าได้แล้วคำสอนอเดียวกันคําสอนในพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่พรยไตรมาเป็นอัตตาที่พระไตรมาเป็นเศษประชาธิปไตยไตรมาเป็นราชาธิปไตรมเป็นอัตตาเป็นธรรมะที่พระไตรม เอาท้ำ เ, เ, เป็นไงเอาดิ่งเป็นไงไม่ได้เขาต้องพักต้งปวกไหมไม่ได้เขาท้งข้นขันสูงขันต่ำขันกางคือเกลือพวกเขากขาพักไหมรักษาคงามเข้มของจนไรี้ยัคือป้าเขากขพักไหมรักษาักษสะะรันี่มีลักษณะอันหอดกหองี้ัมีลักษณะอันเชื่อมซักเชื่อมซักงสัตวน้เขากขพักไหดินมีลักษณะเป็นข้อแข็งกับเป็นข้อแข้งเงีวมีลักษณะคัดปมากกัปมากเงัตว์่ได้เขาก็อานาจวาสนาพวกไร คำสอนมพุทธศาสนาความเหมือนกันการทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคซองอย่างพุทธเจ้นได้มำสอนความลายต่ำาตรความกวนต่บาตเท่านั้นจะคุ้ครองลงได้ถ้าไม่มีความลายต่าตรม่ความกวนต่บานกฎหมายกฎหมู่จะตั้งไว้สักอย่างใดก็ตามมันก็ไม่อยู่แม่นจะวันลาพระบกอีกแม่นอีกทำไมจึงอาบนา้ำเพราะร่างกายมันสกปรกทําไมจึงปฏิบัติถิ่นดำพระจิตใจมันสกปรกปี่เสธว่า ถ้าขี้เหรยังมีอยู่ตามได้การบรรเทาขีเหรการปฏิบัติเพื่อบรรเทาขีเหร่ก็มีอยู่ตามนั้นปฏิเสธไม่ได้ถ้าความชกกระโปรมในร่างกายปฏิเสธไม่ได้การอานหน้าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าเงินมีอยู่ตามได้สว่างก็มีอยู่ตามนั่นปฏิเสธไม่ได้ถ้าโง่มีอยู่ตามได้ความฉลาดก็ต้องมาชนะความโง่ถ้าหลงมีอยู่ตามได้ความไม่หลงก็ต้องมีอยู่ตามนั่ถ้าความขี้เกียจมีอยู่ตามได้ความขยันก็ต้องมีอยู่ตามนั้น ถ้ามีรอดอยู่ตามใดก็มีเย็นอยู่ตามนั่นถ้ามีมืดอยู่ตามใดก็มีสว่างอยู่ตามนั้นในสถา น, นการปฏิบัติธรรมจึงปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธในการอาบหน้ามไม่ได้เขาปฏิเสธในการปฏิบัติทิ้งทำไม่ได้มั่นกันใจยังมีคุณเป็นมหันต์แต่ก็มีโทษเป็นอะไรถ้าทำผิดถ้าทำถูกบ่อยๆก็มีคุณเป็นมหันต์ถ้าทำผิดบ่อยๆก็ Leonard, มีโทษเป็นอะไรนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรทำชั่วให้ใจ ใจเท่านั้นทำดีทําชั่วให้ตนเองไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าภายนอกพระพุทธเจ้าจิตพระพุทธเจ้าใจนั่นเองจะพูดสัาขึ้นถ้าทำมาไม่อยู่ก่อนเราจะฝาโคตรทำมาสามารถรู้ทําได้ทำไม่อยู่ก่อนเราจะฝาโคตรจึงรู้ทําได้เน็ตนั้นจึงเขารับกรรมไม่สั้งันว่าอยู่เนื้อทจงพิจารณาตามเป็นิงปฏิบัติตามเั็นจริงจงลดพ้ น, านจากความหลงตรมเป็นจริงเกิดพระบรมศ า, า, าสาราสร้างบารมีมา สี่อสงไขยแสนม ห, หากับ็มีจริยาสามพุท ธ, ธะจริยาทรงพุทธเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธเจ้าญ า, าติธจริยาทรงพุทธเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตตะจริยาทรงพุทธเพื่อเป็นประโยชน์แ ก, โก่โลกเมื่อการรู้มาแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นจริงจริงโลกวิสูจน์ผู้โลกแจ้งโลกเพราะพุทธศาสนาเป็นโหณเอิดเพราเคยประสบการมาแล้วสิ่งไหนบัญญัติว่าผิบหายสิ่งนั้นก็ไม่ควรจะระมวลละเมิด สิ่งไหนที่บัญญัติว่าเจริญสิ่งนั้นก็ไม่ควรไม่คัดคอหรคัดข้าอาบายามุกเป็นเหตุทางคืบหายจะไปเสียให้มันเป็นทางเจริญมันก็ไม่ไปธรรมนิยตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข ส, สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตตานิยตาเป็นผูน้รู้จักผลรู้จักว่าสุข เ, เป็นผลหนึ่เหตุอันนี้ทุกข์เปนผลหนึ่เหตุอันนี้อัตตานิยตาเป็นผู้รู้จักตน ว, ว่าแระว่าโดยชาติภศล สมบัติบริวารและความรู้คนทำเพียงเจ้านี้เจ้านี้แล้วคนทำพื <c oughs> called, ่อตนทั้งสวงคนแก่การก็เป็นอยู่อย่างไรมัตตานิตายเป็นผู้รู้จักเสือฮะเคื่องที่จีริตในทางคือว่มนุษย์ทั้งหลายท้มันเสื่อมไปบัญยัติทา้งจะเลืมันก็เปลียนไปเ่อไรทั้งมันจะเลื่อไปบัญญัติเเป็นทังเสื่อมมันก็เป็นไปเมไรคจริงมันว่านี้จากคนจริงจริงทั้งผิดจะจริงนู้นกันจริงทั้งถือจริงนี่สนว like, ่าโอนเอียงเขาเข้าอันไหน คดีดังคดีแรงในรโหนในศาลจะตัดสินถูกแล้วไม่ถูกไม่เป็นปัญหากรรมและผลของกรรมยังอยู่ข้างหลังอีกบาปมีบุญนีผลของกรรมมีเหตุกับผลกับวัตถุห่างกัรมประกอบเหตุก็คือเหตุของทําดีทำชั่วนะผลก็ผลของทําดีทำชั่วขนบะมากรรมกับกระแสว่ากิริยาที่ทําเำดีแบบ่งออกเป็นสองทำดีก็เป็นกรรมดีทาชั่วก็เป็นการชั่วเหตุกับเหตสองเหตุดีเหตุหตๆๆชั่ว พืชก็ไม่สองพืชดีพืชตัวเมื่อสร้างเหตุสร้างพืชสร้างกรรมลงแล้วผลไม่เจ้าประสงค์ก็ได้รับการสวนคลนข้าของเหตุของพืชของกรรมที่สร้างขึ้นเหตุฟั้งผลก็สร้างพืชฟั้งผลก็ฟั้งเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุว่าเข้าใจผลกับว่าเข้าใจพืชเข้าใจผลกับเข้าใจพืชว่าเข้าใจผลกับว่าว่าเข้าใจกรรมแก่เ่ากีริยาที่ทําลงมีกายกรรมวิชีกรรมเป็นต้นมีมโนกรรมเป็นหวหน้า กายยักยีกรรมตายกายยกรรมวิจิกรรมเป็นเมืองขึ้นของมโนกรรมเพราะมโนกรรมเป็นนายกเป็นผู้เต่งขึ้นจะดีหรือจะชั่วก็คุ้นั้นจะชั่วรับรอนแล้วพระเสธให้กายยกรรมวิจิกรรมก็ไม่ได้เหตุใจอันใดที่นึกผลของใจอันนั้นก่อนึกเหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก่อสงสัยเหตุใจอันใดที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็ไม่สงสัย เหตุ ใ, ใจของอันเหตุใจอันใดที่รู้ชัดผลของใจอันนั้นก็รู้ชัดเหตุใจอันใดที่สรงเมตตาผลของเมตตาก็ไหลมาสู่ใจในขณะนั้นเลยเหตุใจที่โทโสเกิดขึ้นผลของใจก็มาโทโสในปัจจุบันได้รับเหตุผลอยู่ไม่ห่าง ก, กันพอวิปนาทีกามัมมีตกความติในทางกามเกินไปพยาบาทมีตกความติในทางพยาบาทเกินไปนิย้งสาวมีตกความติในทางเมวรเดียง เธอทั้งหลายยังทำให้พีหน้าจักพระบรมสารีริกธาตอย่าทําให้เกิดอีกนะมันไม่เป็นที่สบายของคนเธอเลยชินหาบุคคลเพราะไม่ชิ้นหาบอลลูนเออทหารบ้ามี่ตารวจบ่ามี่เรื่อนจํากับว่าต้องมีสอบตรวนกับว่าต้องมีคดีดําคดีแดงแล้วลงในศาลกับว่ามีสบายปานยังรบหลาข่าวฟันกันบ่ามี่มีตะเครื่องกวดสางขารเสียงปืนก็เสียงต่ายกันเดียวกัน ก็เสียงเวรเสียงไพรกันเนี่ยโป่งมันเสียงเวรเสียงไพรเสีย ง, ต, งตายถือพูดได้ก็ตายเว้นว่าตายจะรับทุกแล้วถึงสวัสดีคุณป้าคุณลุงคุณหนูคุณปูคุณย่าคุณตาคาุณยายมาจากไหนมาจากอายุวนโนสุขังพลังของผ่านคันบนังเออายุวนโนสุขังพลังของผ่านคุณปูคุณย่าคุณตาคนยายคนณพี่คุ ณ, คณคน้ณณนองมันกับบังเอิญที่ ต้องไปซุกสวัสดีไหมคุณป้าคุณลุงคนปู่คนณย่าก็มาจากอายุวโนทุสรุทุขังพลังของพระนั่นเองปัญญาตีปัญญาทัวปัญญาเอกมันก็มาจากปริญญาของพระพระญาติปัญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีคณะปัญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณามหาเถปัญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียงปัญญาของทางกุธศาลนากำหนดรู้ด้วยการรู้คือรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ กำหนดระดับการพิจารณาพิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์สิ่งที่ม่เป็นประโยชน์ก็จะละเสียป harma ปัญญากำหนดรูประารบละเสีย่ารถาทับรัฐมนตรีเนี่ยเอามาถาเอามาจากไยมจาจ่าผาทั้งข้าพระผู้ดได้ถาบอันน้นผูดำไปเงียบไปเงียบตลอดนม่ง <laughs> ถาทับรัฐมนตรีกาถ้าเปลือกใส้กันไม่หมดเลย สยุใสเนอะใส่กรพ่ายเอ ก, กใส่รัฐ น, น, นี่ก็ไม่นังอยู่พระมาออ ก, าาก อ, ออกมาจากพร า, า, ารัฐโอนแม่เพระันพระนี่เนี่ออกมาจากหครออกมาจากพระอาจารย์อาจารย์นันอาจารย์นี่อาจารยร์อยันเตห้องนี่ท่านจะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเสียเป็นคําไตจเาออกมาจากค้าสอนพระพุทธศาสนาคดีดาคดีแดงในโลงในศารก็ออกมา จากพระพุทธศาสนากฎหมายก็ออกมาจากพระพุทธศาสนากฎหมายของชจ้ลกของผู้ที่ศีรษาคณะผุดออกมาจากพระพุทธศาสนาโดยพระฤาษีพระพุทธศาสนาใหญ่ยันโจทย์ที่มีมูลคือโจทย์ยังไงพระพุทธศาสนานี่เท่านะครับปิปปนี่พระพุทธศาสนานที่พ่อหน้าสงฆนที่พ่อหน้าบุคคลใที่พ่อหน้าวัตถุในที่พ่อันเดียดโจทย์ที่มีมูลนัมนความู่ด้เห็นเอ เมได้ยินเองเมื่มีผู้บอกได้เชื่อว่าตามเป็นจริงเม้สงสัยลังเกียดพ่อต่อคิดไม่ดีียก่าะจวบในมูลอาชีพอนนี้เกิดขึ้นสงไม่รีบและงัดสีอยาทำให้เกิดนานาสังหวัตนานาในายเขาพูดจะเจ้าไม่ได้ว่าอาชีพคนนี้เกิดขึ้นแล้วพุทธารีษัทว์ไม่ม ure, รีบและงัดสีอยาะทำให้เกิดนานาสังหวัตนานาในกายเขาพูดจะเจ้าไม่ได้ว่าสงไม่รีบและงัดสีอยากทให้เกิดนานาสังหวัตนานาในายเขาจะแตกูงแตกพวกกัน มกุจศัพทนะซอนดิฉันครับอดีตกรนกุสศัพท์นะจับซ้อนเลยเพราะเขาคอเจ้าเจ้าเราเหมืนเรเหมือนไม่คุณไม่พระมาฟอกกันไม่มาแล้วจะเพื่อนี่นั่นนก่อิบัตอยอะแล้วปับโสดมานั่งหูโสดมาทยมโสดมาหันตะโสดมหันตะโสดคือพาะราชิกมาทยมโสดคือสังฆาธิเศษนั่งหูโสดคือปายุตีและสุกด มาว่น inside, SO e. ถิดพทธศาสนาสอนสอนโลกของบริวบัตยังท่งพรนามว่าสังฆสภพยายามยานังเจวราภิคุนังเป็นอดกางของสยามปราเสดิจมาได้วุ่ทั้งอัศร์ทั้งพยัญชนะแล้วทำทางสกปรกัุสีงามสานทกรกจังทุสามนิสานยังได้ยอมกราบไหว้ไม่ได้บาปกราบด้วยความงงง่อนสอโลกจำภูมิแล้วอนธรรมก็จำูแล้วพุทธตาวินญาณเจนไงคนมันยอมหาทรัพได้พุทธศาสนา วิทย์เทุกข์กับวัจเจศคนร่วงทุกได้ขอพระความเทียงขาวตอนคนวันย่อมหาทรัพได้หมายความว่ามันในท่าม้านในข้างที่สอบแล้วมันเรียเรีนผาเรนบัสเรื่อยเรื่ยกรเรียนเรื่อยเนผาเรนบัเห็นเ่เรียกว่ามิจฉาอาชีวเรี่ยงชีวิตผิดธรรมมาอาชีวเรี่ยงชีวิตชอบตรงงานข้ามทำการงานชอบคือทำยังไงเล่นจากข่าสารักษ้ากุศลสิทิในธรมเรียกว่าทำกลางงานชอบ เม่นจากพูดแท็บพูดสอเสียพูดคำหญาพูดเพื่เจะเรียกว่าสมาวารชาชอบเม่นจากโลกของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทต้องไล่ผู้อื่นเห็นผิดจากคํำนองฟองทําเรียกว่า ม, ามาโนกรรมอันเป็นกุศลเมื่อกุศ ล, ลเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เสกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้ น, นแล้วก็จะเริ่มมากขึ้นนั่นควรให้มีในสนนัญญา สอนวัดอย่างนีาสอ น, น, สอนมอง อ, นนงอย่างราไเจาสอนการทำานอะไอย่างที่วิศว์สอนนักเลงหญิงนักเรงชรานักเรงเรื่องการพนานพบาดชอบเป็นเกสัยขัานทำงานงานเหล่านี้เป่นนโยบายยังต้งตั้งอนี้ไม่จเจริญเลยใครจะใส่สัมพันย์่อให้จเจริญสักอย่างไหนว mm hmm. ่หาเปี่ยนไปไหม mm hmm. มุขมขอยาดพิสต์นั่งยังาวิงเขาตะเกียงแต่ว่ามันทีไ้ความสุขขับบินเขาเ่องสั ตอนเดียร์บบาลยมกุศลสูงเหลือเงี้ที่ชาวโลกปวดมกักปวดกันบ่อยๆว่าแม่พระเป็นการบ้านการเมืองพระอยามาเป็นการบ้านการเมืองพระไมสอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเนี่เขาจะมีคาแก้ยอนุตรางคุนยนาเกษตังโลกัสสาติเป็นนาบุญของโลกจะเอาอะไรมาเป็นนาบุญของโลกทำไมสอนบ้านสอนเมืองทีนี่พาาก็บรมศาลาเขาสอนมาแล้วสวนข่าว่า เรื่องการทำจตุค่ะด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวิจิกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมนโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมตัศทายพิจารณาเมเนได้รับบารุงที่นีขข้แล้วอนุเคราะห์ฆราวาสด้วยสถารหกหนึ่งให้ามกากระทําคนชั่วสองแนะนําให้ทงอย่างในความดีสามอนุเคราะห์ ด้วยน้ำใจอันงาสีถ้าฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่มหกบอกทางสอนให้พระพุทธเจ้าสอนในรวออ่างผัวเขาไม่ยากพระพุทธเจ้าสอนมึงมีวันแจ้งนี่เป็นเนื้อว่ามีกระดูกหนึ่งด้วยยกย่องถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิ่นสามด้วยไม่ผลึกลวงใจสี่ด้วยมาความเป็นใหญ่ให้ ห้าก้วให้เครื่องแต่งตัวสามีับฟามได้รับบำรุงสามีได้รับบำรุงเชนนี้แล้วได้บุเคราะภรรยาด้วยสถาิสามห้า ส, ส, สามีสองพระภรรยาหนึ่งด้วยยกวอางรับสีเป็นภรรยาสองไม่ดูหมิน่นสามได้มาพึ่งร่วงใจสี่ได้มาความเป็นอย่าง ห, ห้าห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวสามีสองพระภรรยาภรรยาสองตอบแทนสามีเช่นี้หนึ่งจักดการงานดี สองสงเคราะห์คนข้างเคียงของพอดีสามให้กระเพื่อนร่ว ง, งใจหูวสี่รักษาทรัพย์ที่หัวาหามาในวายห้าขยันไม่เกียจค้ามใ น, น, น, น, นกิจการทร า, างทูนหกคอยกบลาข่าเขาขบะเที่ยมขบะเมีนหัวขบเมียมีถ้าคนละหาขอคือการทะเลาะวิ่งถึงมาจากประตูได้ใส่ด้านพ่อด้านแม่พ่อแม่มียนที่ทํากํายุ ป, ประจองนหนึ่งท่านมากระทาความาาชั่วสองแนะนาให้ทรางอุปกรณ์ดี สาให้ศึกษาศิลป์ธรรมวิทยาสี่หาปาัญญาในสามีที่สมควรให้ถ้ามอบทรัพย์ภายในสมัยส่วนลกูกท่านี้ท่านเองได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านสอบสองทํากิจภุรษของท่านสามดำรงวงศ์ตระกูลสี่กระพื่อตนจะเป็นคนคนรับทรัพย์มาได้าหรอห้าเมื่อท่านรองรับไปแล้วทาบุญหลที่นา้ท่านหนักหนักเบากับหน้าพระพุทธเจ้ากับสอนหนึ่งจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่นานํามองสองด้วยอา ห, หารในเวลาสามด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ ที่ไดแจกเขาต้องมีรถแจกระหลาดให้กินข้าด้วยฝอยในสมัยนี้บ่าวได้รับลำบำลงช น, นีแล้วรับเคราะห์งายด้วยสถานหาหนึ่งลุกขึ้นทําการงาน่อนนายสองเลิกการงานทีหลังานสามถือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปรับกรอบรับเสียงไปสีทําการงานให้ดีขึ้ น, ม, นมาให็แก่มาค่ายห้านำคุณของนายไปสรรเสริญในทีน่นั่นกลางคนกลางไมีหาของสิการทะเลาะวุ่นวางกันที่นีนนม่มาจากอะไรบ่าวกำนัลกำนัล เม็ดท่พุทธเจ้าก็สอนเมดแท้สีพูเม็ดมอุปการะเม็รวมสุขลมทุกเม็ดไประโยชน์ไม่มีความักใครเมสีพนี่เป็นไม่แท่ควรคดหนึ่งเม็ดมอปการะมีลัตนสีหนึ่งพ้อกันเพื่อนผู้อ่มาเนี้ยสองอกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผอ่นมาเนี้ยสามม่มีใครเอาเป็นผู้คํารักได้สีเมื่อมีผู้รช่วยออกก็ควรจะขอท่ออกฟ้สองเม็ด่มสขร่มทุกมีรัตนสีหนึ่งขยายความลักของตนแก่เพื่อนสองเปลีนความลักของเพื่อนมาแร้ทาย สามัยลที้งยางป็นัก4รีแม่ชีวิตก็อาจละแทนได้สามมิตรได้ประโยชน์ในลักษณะสี่หนึ่งจะทำช่วหนึ่งห้ามกระทันหันคนชั่วสองให้ตั้งเงินความดีสามอนุเคราะห์ด้วยใจอันมาสี่บอกทางสอนให้มิดแท่สีจำพวกหนึ่งทุกประทุกด้วยสจบประจด้วยสามต่อเสียงคนพูดเตือนเพื่อสีรับรองคนพเสน์เพื่อมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิแท้คนขาบราสดามิปฏิรูป คือคนจำมิตรเนี่ยคคหนึ่งคนปลอกล่อสองคนดีแต่พูดสามคนเขาไปจบสี่คนยักตัวในทางเสบยหายคนสี่กระพว่อมีไม่ใช่มิตเป็นแต่คนจำมิดรหนึ่งคนปลอกล่อไม่รักษาหี้หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายดีสองเสียให้น้อยก็คิดเอาให้ได้มากสามเม่ไปใครแส่ยตัวกอรับคํามผิดชัวร์ช่วยเพื่อนสี่เเพื่อนเขาเห็นแต่ประโยชน์ของตัวสองคนดีแต่พูดไม่รักษาหี้หนึ่งเก็บเอาของหลวงแนี่มาปลาใส่ส อ, ง, องเอาของที่ยังไม่ว ม, มาปลาใส่สามต้องเคาะด้วยสิครับประโยชน์ไม่ได้ ที่ออกมาเพิ่งพิ่งไม่ได้อันนี้ก็ไม่ควรครบสามคนหอวกระจบมีลักษณะตสี่หนึ่งจะทำดีเขค่อยตามสองจะทำชั่วเขค่อยตามสามต่อหน้าว่าสรรเสริญสี่รับหลังสร้างเินทางอันนี้ก็ไม่ควรครบสี่คนสักควรในทางที่ไหวมีลักษณะตสี่ส่กควรดื่มหน้าเมาชักส่วนเที่ยวกันคือชักควห้มาเมาในการเล่นชัก่วรเล่นการกระมิตรสี่จำพวกนี่ไม่ใช่มิตรเป็นแต่ควรเทียมมิตรไม่ควรครบเอายามไหมยา อันแรกอันพระพุทธเจ้ามาสอนมาไมีได้เลยนะสอน ท, ทั้งสงกทั้งรับได้เนี่ยคตรวัดอะพระพุทธเจ้าองคไหๆก็มาสอนนีสวัดคําสอนในใดในตจโรกขาดเป็นเขึ้นคําสอนสาธนาหมดสอนอย่างวัดราชพีสวายเจริหลวงมีเทียรสาความเป็นต้นมีได้ขงังกุตการอะวตาพีธรรมบุญอุทิศเทวนาบตริกาทานสมณสามภูมิเพอชอบนักษาเมตตุประมาณแล้ว นักษาทรัพสมบัติของมิตรผู้ประมาณแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นที่เพื่อนสำนักได้ไม่ละเิ้งในยาเ ม, มตต์นับถือตลอดถึงวงของมิตรมิตรจักรกี่กวดครบริจาะวันเองมีบุมีบัตแจ้งนะ้คำสอนพระเจ้านุ่งห่มพระพุทธเจ้าก็สอนนุ่งเป็นพระฤๅษมณฑลคือนุ่งยังไงข้างข้างบนเล้วสะดืข้างล่างเพียงครึ่แงแค่เรียว่านุ่งเป็นพระฤๅษีมณฑลผมเป็นพระฤๅษีมณฑลก็เหมือนกันถ้าเขา้าว่า ก็ห่มเป็กคอหลุมคอสักถ้าอยู่ในวัดแล้แต่สะดวกข้างล่างก็เพีย ง, ง, งเครึ่องแค่งวนกันอันนี้มูวนห่อห่อเอาแต่หีแม่นว่าม้วนมูโตไปให้ยคะแนนเขานั่งอ่ำผู้หายคะแนนกับพี่บ่าวแม่นว่าผู้หายคะแนนกับพี่บ่าวแม่นว่าพี่บ่าวให้คนแนนกันแม่นว่นประเทศไทยนะไอ้พอไอ้แม่เลยเป็นประเทศที่นี่ เขียนธรรมที่มีวัดเดวัดศาสนาธรรมวนไปนุ่งเปิดห่มในสั่นนะมาหยีบย่ำมาพุทธศาสนาเข้าหาตุลาเชียเพื่อได้นุ่งสินพระโพาเขาขมาหไม่หาเขาไม่แดกหีมันเทาสิตุลาเชียเขาเกลียดให้องจังก็นายเจ้เลี้ยบไปเข้าเหยข้าวอะไรข้าวอะไรเข้าเหียเขานุงเข้เสียเข้าวบาวรอกย่มไรเขาบอกเขาบ้านุงเขาจะคอยว่า งูตววัวแบบศึกษาเขาย่างไปให้คะแนนเขาอย่า ง, หาาาางให้เขาเห็นจุบยังน้อยเอาแต่ผวกพลังม า, มาใส่ปฏิว่าิฝรั่งเศสตนนั้นนางกระซามี่นี่เนียนางบอกนุ่น่อยห่มหน่อยไปฟากันให้คะแนนเขาพรา น, นี่มันลาบขมาแ่ละมันเป็นเป็นทิงขี้ระบาดเลยยังน้อน ย, น, อยนี่ยพอองนุ่งมันดอกพูดได้พนุ่ง มันมันเปลือส ง, องอสีนี้ก็มือนไปสงสารนี่ท่านี่วัชนาทรพไม่ใช่เราท่านนี่โ ม, ม น, นี่ท่านนี่ทมละวัชนาทัมแม่นะวัชนธทัพชิ้นทัพโ ม, ม, มนี่ประมาณยั่ไง จ, จะเอายอางสัตยรัก ษ, ษาได้เล ย, เลยนั่งฟ้าห้อมยุนตัวเม่ยกับ่มนุตกวครูกั บ, กบ่มนุสมันนยนี้ไม่เป็นห้าก็เป็นห้าก็สัตยรัก ษ, ษาเนี่ยเามาพี่นาบึงโลกเข้าเนี่ย นักจิตวา น, น่ะมันเสรสมกันนะมันมือขาเนี่ยมือข้าบขาพอกทิศปากาาาปา ก, นนานากนาันเนี่ยามาันก็เคยเหนื่อยนิดสองสาปีมาเนี่ยสักกี่วันเหนยนิดแก่นาึ้นเนี่เอาซะประน้าพอไปเรีนลูกก็ไม่เหนอเอาเมื่อเอาจะมันห่างเหอนจากเสียงธรรมข่าวใดโลกห่างเหอนจากเสียงธรรมผลก็ไม่ตกกรงถูกระดูการหน้าก็จะ่วมตายลมก็จะพัดตายไฟก็จะไหม้ตายนักในราคา น้ำจะท่วมตายหนักในโทสะไฟจะไม่ตายหนักในโมหะลมจะพัดตายมันครบหมแล้วนี่ยถ้าปาคใต้เข้าก็ครบเลยเนี่ลนั่นถ้าฝั่งเหนือเขาเ น, น, น, นี่ยฮั น, นแรงฮะเนี่ยฝั่งเหนือภาคกลางแรงไปควงเงินพอเงิ น, ง น, งนแม่ไปกินเหล่าบา่านไรกะขาขาพอ่อขาเมย์ทำสหลัก เ, เอาเนีกกนยนน่ยกะไรกะ้ายัดปาก ฝนต้อกระพับตกข้ามแม่เลีย้ยงจักๆปีนี่จะ ต, ตายมโหาอายุห่าวาทารายต้นไม้ลาธารมันอันมันหลังฉากมันทำายต้นไม้ลำธารฝนกระพับตกอไรเรไปว้าแัวแนวแน่แน่วอัว น, น, นหาบันออกทั้งคนบันธารเหินจากทิงท่านผม่าบอกห่าวะเถอแมน่นบเศ้าโลกเพราะขางพระพุทธเจ้าเอาธรรมาที่ะไตยมาถึงข้างพพ่อธรรมาที่พไตย เขขอเป็นมื่งขืนคำหรือเป่พพก้องดีก็เราก็ดอย่างขืนเลพวกข่าขอเป็นมื่ขงะะ ข, ข, ขืนแยา่ดาดี๋ขังพเจ้าเพราะพรเจ้าห้องใส่าสเป็นพวกพกฟงครรวาเนอขันทเอาค้นมาเป็นประมานนี่มีคาแยงเลยเหรถ้าเร้าโลกแต่ว่าโมีบาไม่บุญไปน้ำบ่อเข้าไปน้ำเเหคุณพอคุณแม่กับโมีล่งเห็นกันยังสันบดเนาะน้ามลายเศ้าโลกไม่เกลียดลายมัน ด, ดึงไปท่านกิเลสที่วัในไหเอาเป็นประมันเน ค้าพระเจ้าบางกรณีเอาตามขําของคนหมากเป็นประมาณบางกรณีเข็ไม่เอาบางกรณีที่เอาตามเข้าม่ําของคนหมากเป็นประมาณคนมากเรานั hmm. ah ique, turkey, ้นเลียนจบป่ายพิโรกกระซังก็มาคุยของเธอมาดีบ่าหายมาออกเสียงก็มาคุยของเธอดีจะห้มาออกเสียงเหมืนโม่เขาเลธอไม่ออกให้ข้าข้าก็เอาตังค์ให้ใส่ไว้ก็เลยจะขอว่าเป็นตาที่แตกข้าหลกเขานี่ย เดีวในตอนติดชมพระพุทธศาสนาเม่อไรวันนะครับไหมกันห้าถามว่าขอความเป็นธรรมบ้างขอความเป็นธรรมบ้าที่ขอกับศาสนาไหนขอความเป็นธรรมด้านศาสนาก็บอกว่าขาดไปสวรรค์ยังเสียอันจะขอความเป็นธรรมก็ไปก็ต้องขอขับศาสนพุทธมันจำเสด็ได้เอาว่าคำวเป็นธรรมแล้วจะขอข้าวใส่คำว่าไม่เป็นธรรมจะขอความเป็นธรรมข้าไปส่คำว่ขอกับเข้าผู้ใดก็ะตืดประพฤติเป็นธรรมเราก็จะขอความเป็นธรรมข้าวใส่จะขอเป็นธรรมจะใส่ อันักจะไปขอกระไผหันผู้ไรก็บเป็นธรรมบกมตรกิเลสต่อว่าตอเทียนเนี่ยนั่นอ่งนี้กับเพื่อนกันยังม้วนกันับอายัตะอยูย่อย่างนี้ก็เป็นตุอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าก็มีอยู่ด้วกันนี่ข้าพเจ้ามีอยู่จำเลยพัทพมันบุตรท่านเป็นพระอรหันต์มางอายุเจ็ดปีน ที่นี่เขาสร้างท่านท่า น, ท, านท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นพระพุกุฎแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเลยว่าไม่ไม่คิดธุระทีทําไม่เป็นรับเป็นภูเกศ อ, อาหารแก่อรหัศน์พระย่ำย่ำสังสังหารสังสแก่ไปแก่ไปอดพร ะ, รร อ, าารพะองค์ผู้มัจจ า, กกาสืบถือจะเข้าไปเตรียมเข้าไปเตรียมไม่เข้ากองเข้าไปเตรียงเข้าไปเตรียงอม แล้วเขา่าป่องเนาะเล็ดก็ไ ป, ไปก็เขา่าปลายนโดนตามเดิมน เ, าเากกนาะไปถึงถ้าเข้าปลาเข้าทุกอะไรไปถึงถ้าเข้าปลาแล้วพระองค์นั้นเทียบท่าไหว่าลําเอียงไหนพอตามธรรมดาแจกอาหารแจกกระเจ้าผู้อาวุโสเราไปเนี่ยพอไปถึงคนหนึ่งือเข้าไปลเทียนชางหนึ่งจงทำจงถามตรีเดือนวันเวลาจงถามถึงฐานะพิศที่ทำ ต้องถามต้อตงถามถึงชื่อผู้บอกและเหตุที่บอกขั้ประกอบกับการและสุการทีม่มันมีเลยนพะพ่อเวราเวรานี้นข้าพเจ้ากำลังแจกอาหารเลยเมื่อได้่ลมากผู้เขากินกะปุเชื่อในเวลานั้นกวาติพ่อนั่ น, นเนเี้ว่าสั่นต่อายุเจ็ดปีมาไม่ได้ฝันไปถังกรมมาโลกใน่เชืออีว่าสั่นบังชั้อดผู้หญิงไม่เชือได้ยยังอยู่จ็ปีมาก คนส้ำเลีเ้ยงพรานจะอนุเกจปีเลยคุณแต้เป็นซ้ำอันนี้พระพุทธเจ้าเขปล่อยให้สงฆ์นครับขันทีนะ่ปล่อยาแล้วพระพุทธเจ้าเสีมเม ย, ยหนังเองมาพระพุทธเจ้าเขาดูขันทีานเลยวิเชีนังสับอธิบรีไม่เสียว่าม่มีนเพราะได้ปลอยสง่์นะครับลมกับนังสับเปลี่ยนท่าหมดเลยพระพุทธเจ้าเรียาเปลี่ยนพลังานปีนุ่มอะไรเขาเป็นพระทหารมาแตงุกอนุเกจปีมัเป็นสนท่นไม่ต่างกฎเกิดนะ กำเลยเป็นผู้มีสติไฟบูคือเป็นพระหรังไม่เป็นฐานะของกำเลยที่จะทําการกระมิดดังขีดโดดเก่าวหาสวนกรรมวาจาจามได้ให้สติอะไรและยกป้องของโจทย์เสียในยกฟ้องของโจทกเสียและเอาพอ ก, การลาที่ขาเลยไว่าอยู่พบเป็นปวดนักใส่ลายฝ่ า, หายหรือพระอรหัพนยุคยังไม่เอ๊ก ความเชื่อสองศัปท์ศาสตร์ห้สมมติแกพิสุผู้หาเห็นได้แล้วเมื่อยังไใใรย์ไคยโสดท่าน้วยอาวัตที่เคยทำในเวลาเป็นว่าเรียกอมูลหราไม่ได้เพิ่มเพิมเป็นบ้ า, เ, ลล า, เ, บาเสียสติในเวลาเพิ่มท่ำผิดสล้ข้าจะเสษ็จไป ร, รักชีพกาดีอันนัน้นก็มีนอกก็ดีระยะไปก้าวตัมันจะจะไปตรวจแห้าหายจากบาแล้วจะมาทําจะคอยตรวเลยบางส่วน น, น, นั่งอจฉาอยู ในที่เพิ่มหน้าสงฆ์ในที่เพิ่มหน้าบุคคลในที่เพิ่มหน้าวัตถุในที่เพิมหน้าธรรมอยาในที่พิ่มหน้าไงนี่เรียกว่าในที่พิ่มหน้าสงฆ์ในที่เพิ่มหน้าบุคคลในที่เพิ่มหน้าวัตถุในที่พิมหน้าธรรมอยากธรรมิคร์มยางไงนี่ระงับียกแบบธรรมวิคาร์มยงไงค้ับเนียแต่ว่าอทิก่อนทนน้หลายคัรงับด้วยสมถะอันไหนเมื่อึ้นนี้พระแุทธสารในครรมันเป็นสามอะไรความปรับอาบัตรตามมรินญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์อยากประชินญาตากรณะขนจำเลยเ้ารบเป็นสัตวบอัค อันนี้ระงับอัจฉรอย่างนิยมความตัดสินเอาตามคําของคนมากเป็นตมาเยเยียมิก า, ยาเอาคนมากเป็นตมาคนมากมาเป็นต่อมาเองเยี่ยงจักระใจพิโรกกระซังว่าไห้ว่าออกเสียงฝากคนมาพื่บารีอันนี้ระงับอัจฉรอย่างนี้ิยค ม, ออยมนนยความลงโทษแก่ผู้ผิดเยีตัศภาพิญญาิตากรรมนี่อันนึงยย ต, าตาัศภาพิญญาจิากรรมกรรมเพิ่มโทษแกผิดศูนผู้ประพฤติลามกให้การกลับไปกลับมา ปัญญาแล้วปฏิเสธปฏิเสธแล้วปัญญาพูดมุสาเชิงหน้าพูดก็เกื่อนข้อที่ถูกสักถามอันนี้ควันเพิ่มโทษความไพ่ปณีไปนอนคันต้องสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียบตีนหนา้ า, า, าวัฐานและเกินัยนีระงับแบบนึ่งคือทั้งจำ้ลยมันกับมีหลายทอกันทา้งโจ้กัมีหลายทอกันแทบเป็นอาวัตเล็กน้อยก็ได้เห็นไก่เกี่ยวกันซักอะไ่างเงีคือเผากราว่าไก่เกียวกันตีนตีนหน้าวัดฐานและเก่าวินัย ความให้ปัญญ์ปานองมันต้องสองฝ่ายไม่ต้องจำรักความเดิมเด็กจริงแม้วัาสารกรรมยังไงแต่เปลี่ยนอาวัตเี็กหน่อยก็เป็นอาวัตสูงอาวัตช่างค่าทิ้เศดหวานเฉดมาแมนอาวัตทุกกดช่างจำได้มันทอกันช่างสรวจมันก็ทอกันคันติตัดสินในชางไรชางหนึ่งชนะอธิกรณ์ที่ท่าิทธเลยแล้วเ่งหกล้เคียงกันเจ้าแต่ว่าตรวารลิกถือวาไกล้เคียงกันเ่อไ้เนี่ยิก็ต้องว่าพิสได้ถือก็ต้องว่าถือได้หวานคันใก้เียงส่นัวมีไิตเขาตาหลงเยอคนอ ยังไม่กล้ามาอาวัชเลน้อยเนี่ยั่นคาสอนในพุทศาสนาสอนอะไรเราอ่อโจท่ยท่าโจดท่าจาเลยยันผูปลาหมาจงทาให้ร่าเลยซัเดี๋ยวจะให้การไม่ถูกท่าจํเลยเป็นผู้รอดผลก็จะขู่ทาคาสอนในพระเจ้านี่ใบมัดมูโตก็เอาอันนี้ไปกันเอาอันนี้ไปแล้วว่หง่าวับเอาไปจัดทําไน่ได้ของพระเจ้าพระสงฆ์ได้หรือเปลู่้ดังเียงเียงเียงเียงเปรี้ ไอ้เจาอาไปจากเป้าไม่ไดของป่าเนี่ว่าผว่าจิงเป็นเจ้าเป็นได้มันมันเดียนว่าขืนไหวกระยามรรลุหลานเลยอย่ายาหัวมันมันบริสุทธเอาหรอผู้ใดข้าวว่าบริสุทธเนี่ยมันดูได้ว่าสั่งงันก็แกะกระเจิงเอาผู้ว่าเสียบาเสี้ยบุญเขาว่าจะเป็นเจ้าโลกเขาเป็นได้ว่าแตกไปเจิงนอคุณพ่อคนแม่บ่วมมี่คุณครูบาอาจารย์บ่มี่ แต่เจิงอลไรตัวแกเห็นไหมเี่เนะมือักหมดละมันเป็ไม่เนี่ยสิออกหน้ามันมน่เนาะไปเ่ราะหล่อนนั้นพูดได้มากนม่ช่างที่ประสอบเขาจะเขาเขาจะปล่อยพ่นพราฉนั้นว่าพ่นเนีแม่จะมอยเาปล่อยพ่นบอกเขาเพอะไรพ้นเพาะกับหน้ามลพวกจะพอไปท้าไปถ้างมื่อดนเนี่ยเขาไปเพราะพ่นด้วยกันกระยุบว่าเป็นจุกด้วยกันเนาะเขาพูดได้จะพอไปท้าพ่นเนี่ เจ้าพ่อไปท่างว่าไม่ขีเห่เเจ้าพ่ออ่นเจ้าพ่ออ่านว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อไปทางพุทธิเดชผลของพุทธิเดก็อตามเจ้าพ่อไปทางพุทธิเดผลของพุทธิเิชข้ตามเราเป็นเจ้าพ่อคูกคนเจารวจตัวหนึ่งมาสมัยเจ้พ่อหารอยหาจับคนอ่คนมันอ eh ่านอดน้ำดื่มฟุ้งไมีบุญเท่านั้นไม่เอาสันตสรวงเมื่อกี้นี่อาันตุสรไว้วางเสียคดไอสางบุญกับไปมีบุญันคุดไอสางบาปกับไป้ม่บาปมันไปจับเขายัาสัน ไม่เราพูดเงี้ยเท่ลนั้นเนาะยกข้าเมียนนะว่าผู้ได้แค่บุญก็เป็นเจ้าพุธมีบุญเพราตอนนั้นก็เนาะพูดได้แค่บาปก็บป็นเจ้าพุธมีบาปตอนนั้นนะพูดได้แค่ดีก็เป็นเจ้าพู้ทำดีพูดได้แค่ชั่วก็เป็นเจ้าพุธทำชั่วมันก็บอกกงชัวได้เปเจ้าของยังเงาะที่อารักกันไั้นป็นเจับเขาว่าแม่พูดเงี้ยได้เราตนองอ๋าสันทำอะไรควรยั่ไงาวเมียนเนี่ยวะว้าเราสบายยาพิษเนาะเราเพิ่งท่านเห็นนก้าพิษไม่ยังไดซเสียว นี่ชาวพิษคนอยากเขาห้าวในชาวพิษเฉพาเห้าสนุกกว่าเงี้อยากเาห้าวคนอยู่ขันแก่นเงี้ยให้จิเงินเรียนขืนเจงวันไ้ก็ะซานะครับมันชุดสิริศตะเพ็ยงน้ำขอมันชุดสิริศด่โงหหน่อยกระย่าหัวมันมันจังจะเลิศกินทั้งเอี่ยมทั้งอ๋อปัญาต่างเขาข้อเนี่ยจะใจะออกไงพิารณาเรมโตกินว่าเรืองกับว่าได้ระย่าหัวมัน ย่างยางอันหนึ่งมี่อยู่เรวมาว่างๆรัชกาลที่หกรัชกาลที่เจดนั่ห้องวิจานแล้ลงเพลชายเล่าเป็นข้าหลงสารจอมรัตนเดือนสามสิบบาทสำไมานั่นมั่นเหรียญพลเจสุนไห่เล่าอีก เ, เลโนโนกน่าอะไรงดงมือว่าเอาตะคับว่าสันท่านะวิซ่าของผมกับพอ่อใหญ่เน่นเดือนสามสิบนี่ว่าสัน บุญรอเกาลงก็มอมแล้วละหายผมกระรายนะผมบอกอย่างีอกว่าสั่งเาเห็นในประเทศไทยเด่๋ยไม่พูดยาวทั่งนะไอ้พูกคนรับเชว่าสั่บัดงงรอดนะรอดน่าขายกินพ่อปากพ่อทองเลยหรอการเลิกง่ายมากแล้วก็ลกกาซอยลูกซอยเนียบนบาดใส่มือเนี่ยเกาะต่างเมื่อไร้ดเห็นูดยาวในประเทศไทยน่ะหาผมเถาะยาเถากลับมาสั่บุญรอเกาลงมอมแล้วคุณสมบาตองผมก็มีเพียงแค่นี้นมันจะห้ยผมกระรายกว่านี้ก ต้นมบารของผมกับระทเงินเหรียญรอะผมกับพอเด็กอยู่ในกินนี่กับผมไปเหน็นนาอยู่ครับย้ายที่ยายน ก, กมือใชหัวค้นทั้งหลายนับถือเราั่นับถือเราในห้องวิจารณ์โลือูอตรวจไม่จะเสียงเอาแม่บอกูกค้าด้คันเดียวเพราะว่าบอกแม่ <laughs> แค่แต่เขาเป็นอย่างย่างเลยนะแค่เมื่อไรต้องนอ เก่งเกือบได้แล้วอยากได้วักอยากได้จะหลายขันงานวกรรมและพ้นของกรรมมันมีหลักฐานเลยอันนั้นพอดีจะพักการเท็จหลวงปู่ไปย่างนกมันก็นตามมาแล้วเนี่ยลงวงพ่ใจนี่เก็บขึ้นนี่หลวงปู่ไปใส่เวเทเยียนตะเกียมันก็นตามมาแล้วนี่เขา อ, อนียบเงียบสายยางเขานี่ไปกดประกวด ชุนั้ดีเป็นเียเ น, นี่ยเมา่อไงก็ชั่วโมงนันเกลียบตายอ่าๆคุณต้องออกกอล์ฟเขาผมนี่ือเห็นอะไจะใช้เวทีย็นมันตามมาแล้วล็อปูไปจับงวให้เขาต่อนก็ตามมาแล้วใส่เ่อนตามมาสองพันารอยยี2สองเลยตามมากรมูลเลยอันชุว ม, มีตามมาสองพันาร้อยสามสิบจนจบเก็บตีละโอเก็บตีนี่ชุวี้ก็ตามมาเพรา่มมอรอย สิบอันนี้ก็ตามมาสองพันหรอยสาสิบเนี่ยส่วนโลกเ่รตามมาแล้วจะสละัจะสิบปีกลัวสลัเวน้นชายมาจากออกเนี่ยสัญญากะออกแล้วย่าสโทษ่ให้ให้กว า, ก, วากินนา้ากวาดตัวนึงยามกินหน้ามากนะมาทำลายกินนา้าแหนว่าตะกี้แต่ยัง เดี๋ยวยังกินด้วยดีๆ่าสัตว์มาห้าเทียมขายเขาเฮ้ยมีเรื่องแฉไว้สั่งท้าไปหะบนี่ยไม่ควยกินน้ำไม่ควายขี่เมอกี้กินด้วยดีมาเขามาขายแล้วเขามาทักทายเรืองกระัะที่วาสดุไม่สวยวัสดุน้องเอี้ยมาผ่นมาจมเพ่งเห็นยังอยู่พ่อดำหน้าเพราะว่าเห็นว่ามูควันดำเหมือนอะรเลมาสัตวเพิ่เห็นยังอยู่กรดองมาสัตว์ใหญ่กับวัยห้างวาวดี ให้กุ commerce, at, ้ยเาให้กุ้ยจินนำเาะงันมาใส่ไฟทาไปอั่นี้งได้เกิดโลช่องผูกกัเรอยกอะไรล่ะิดเห็นอยู่ยิ่งนกเขาเนี่คือันาดได้ตัวเดียวสั้นล่ะปั๊ขึ้นเลยยิ่งผูกผูกก็เห็นอยู่ตัวหนอก็เห็นอยู่ตกวงมาตกลงมามัดชีวิกระเด็นนกตัวเดียวสั้ยุ่นชิ้นมหาตรีมันมัดาลูกผูกออกเลยก็ก็ก็ สองสองขวดา ม, มัานออกก็ก็ก็กอดสองขวดใจขาดมึงขะแน่มังขะหน่ ม, หนมันจะว่าสัตว์อะไรคือยุ่ว่ายุ่ว่าจะถึงสองร้อยสองพันห่าร้อยสามสิบระเบิดกันนี่ร้อไปรงไหบาทเจ็บเพราท่านชั่วโมงนี้ก็เนี้ยหั่นอยู่นี่เอาอันอนี้ว่าเดี๋ยวเดีวเาได้รายสี่ก็ต้องแค่สี่กระตันมีสี่กระตัแล้วพ อ, นน แ, ลว อ, อ, อแล้วน่าหันหน่าหัะ อ๋อง่วงแล้วปะยาามารีว่าพุาปริุเริสิชากะลังไม่ไมจะทุนเตานงอุปรปิติที่ตั้งวัดที่ังสุมังิพเมลมศุสุสิภูริสุสังขปัรูนะไรส้ยาสามารีสู้ยาสยาสิีววนากับสุขสขกัวัฒนากิัตนัเปววรรรายสุขีศีกาโยโผว่าอนวารสารศีาเชางวิชาประชาโยโรจโรุ้ามาวัดทันติอยุวโนสิกังขะะว่าแบบลูกๆกันหลายว่าแบบ่ามันแหบเอาเกี๊ยว คือมันในงานพอดีแท้ล็อปูมันถือว่าจะก่อแบบรูปร่างหลานนี่ถือสั้นนี่ถือแบบอื่นไปเลยไอกแบบรูกราหลานไปโรงพยาบาลชิมิติเวทเทากับออกแบบรูกร่างหลานลอปูจะพูดแบบรูปร่างหลานเลพอดีใจอย่างเดวจะไม่ขออภัยเลยจะขอแบบจะพูดแบบรูปรางหลานเขาจะซือเขาเลยหรอมือตัวที่ถือเขาบอกถือ หนั่งึงใส่หมวกล้แกมาจำจำํามาหลวงปู่ให้ไอ้มันมนตามมนไส้เบิ้งเสิวหลวงปู่ให้ไอมันไม่เอาไม่เอาคนนู้นป้าแพไรเอาเอาอะไรหนีฝนร้อนเย็นนี่นผู้หัวหนาใหญ่หัวยามอยามเนี่ยหลวงปู่ประดุกมาลุกมาหลานอะไรเลยลู่ดกมกกันหลานหลวงปู่สบายครับหลวงปู่หลวงปู่พูดแบบหลวงปู่กันหลานร้อนเย็นนี่ฝน โอ้ไปถ้าไม่อธิบายก็เป็นสยาศาสตร์เฝ้าหัวก็คือเป่าจิตเฝ่าใจให้ถึงมุขพุทธธรรมประมมสงเตือ น, นจิตเตือนใจให้ถึงมุขพุทธธรรมประมมสงอ๋อไว้นัง่นี้ยมันเป็นโรคตายได้ห ล, ลอยพันต <c oughs> อ๋อเป็นปปปพุกธประุบหลายพุทธสาไเป็นโรตายได้นี่ยมาหลายตัวพุทธช่วแต่บางจะโก้อ๋อไปประชุบเนี่ยใถึงมุพุธทธธรรมปสง์เ้าหัวเตือนหัวจิตหัวใจห้ถึงมุขพุธทธ ม, มสง ตพคุณพระธรรมประสงค์คุณท่มโอตั้งโคไปจุกจุกประจุกใครจะรู้ได้ตอาตายในในวัน่นี้การต่อส้างแห่งามตราชีพมัแกะเราเองสกตาคือคุณท่านนีนละความตายมาถึ ง, ง, งแ้ไม่มีท่านูใดจะถ่สอนความตายนวันหยุดวัหรือด้วยครัรบเมืนั้น ยังยิ้มเลทำความยีัยิ้ถึงพระพุทธธรมพระสงฆ์ักยทำาเตาเเมื่อได้ถึงพระพุทธพมพระสงฆ์จนึงแห่ไม่เดีว่ช่างชกเื่อนละนี้ปย่อมไปบิงัทวันถึงพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุฏิมสดัมโพไปจุกันจุกัน